592-1991 วิทยุราชมงคลธัญบุรีเอฟเอ็มแเเมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเพราะเรื่องดีๆมีทั่วทุกมุมโลก รับฟังข่าวเชิงสร้างสารรค์เติมฝันปั้นแรงบันดันใจในรายการเป็นเรื่องเป็นราวผูว้ดำเนินรายการวัชรินทร์คันธชาทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8ป5สเมกะเฮิร์ คุณกลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากเล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันวัชรินท์คัชากลับมาพบกับคุณผู้ฟังในเย็นวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกนาทีโดยประมาณจนถึงเวลา19นาฬิกานะคะซึ่งรายการเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่จะหยิบเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านเราหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่ คุณผู้ฟังเนี่ยจะได้นั่งฟังไปยิ้มไปคิดตามไปหรือเกิดแรงบันดาลใจร่วมกันในการที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆนะคะโดยในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของช่วงอยากเล่าจะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของออสำนัก ง, งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยเหลือเด็กยากจนในพื้นที่นะคะทั่วประเทศไทยเนี่ยเป็น เด็กยากจนพิเศษนะคะคือยากจนพิเศษนี่ไม่ใช่มากกว่าปกตินะคะคือจนมากกว่าปกติ 30,000 คนทั่วประเทศให้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการเร่าเรียนขั้นพื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์นะคะโดยได้มีการจัดประชุมกันขึ้นเป็นเวทีสร้างความเข้าใจของหน่วยหน่วยบริการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคหรือว่านักเรียนยากจนพิเศษเนี่ยซึ่งได้ จัดประชุมขึ้นทั้งหมด225เขตแล้วก็ครูแกนนำเนี่ยเพื่อที่จะมาร่วมกันสร้างความเสมอภาคทางการศึกษานะคะโดยร้อยตีธนูวงจินดาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็บอกว่าผลการไปเยี่ยมเยียนบ้านแล้วก็คัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษของคุณครูในสังกัดสพทอทั่วประเทศในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2,562 ที่ผ่านมาเนี่ย มีนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเพื่อที่จะรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จ, นจากสะพะทแล้วก็เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขกส อ, สอเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยสอล้านคน มีนักเรียนที่ยากจนพิเศษนะคะถูกคัดไว้แล้วเนี่ยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนในภาคเรียนที่1ทัพ 2,562 ประมาณ 723,604 คนจากทั่วประเทศโดยนักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มเลื่อนชั้นกสสจัดสรรเงินอุดหนุนแล้วไปทั้งหมด3 1 1แ4นนดคนก็ยังเหลือจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษในกลุ่มใหม่นี้อีก ราว3ามแสนป่คนภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามก็ยังมีนักเรียนยากจนพิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดกรองแต่โรงเรียนยังไม่ได้บันทึกผลการรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษนะคะโดยคณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้า เ, าเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยจำนวน3 5 0หคนจาก 1,638 โรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนในรอบนี้นะคะโดยนักเรียนในกลุ่มนี้เนี่ยถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะหลุดออกนอกระบบนะคะเพราะว่าความแยกจนความจํากัดที่มีความดือดร้อนไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ในเบื้องต้นเนี่ยสพทก็จะไม่ทอดทิ้งนะคะก็ได้ประสานไปกับสอสอ ส, อสอ ใ, นในพื้นที่นะคะเปิดระบบเพื่อขยายการ เ, เวลาในการบันทึกการรับรองข้อมูลนักเรียนแยกจนพิเศษในพื้นที่เนี่ยไปจนถึง เดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็ให้เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง225เขตช่วยกันดำเนินการผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ความสำคัญกับการคัดกรองข้อมูลแล้วก็บันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนให้ครบถ้วนแล้วก็ทันเวลาติดตามการใช้จ่ายเงินการมาเรียนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ เ, เพราะว่า ถ้าเกิดเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันก็จะเสี่ยงที่จะพาเข้าออกนอกห้องนะคะก็ความเสี่ยงที่อยู่นอกห้องมีมากกว่าในในสังคมโรงเรียนนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนักเรียนที่ออกออกจากระบบการศึกษากลางคันเนี่ยสูงถึง 2% ของนักเรียนทั้งหมดนะคะจากการอพยพ ย้ายถิ่นฐานตามผู้ปกครองบ้างปัญหาท้องก่อนใบเรียนปัญหาเศรษฐกิจนะคะโดยสพทเนี่ยก็ใช้มาตรการในการช่วยดูแลนักเรียนทุกกลุ่มตัวเลขนักเรียนที่ออกนอกนอกออระบบการเรียนกลางคันเนี่ย ก็เลยลดลงมาเหลือเพียงหนซะคะซึ่งก็ส่วนที่ออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีกศนอท้องถิ่นเนี่ยคอยช่วยติดตามให้อ่าให้นำระบบเลข13หลักมาติดตามว่าเด็กอยู่ตรงไหนรวมถึงร่วมมือกับกศสสในการสนับสนุนเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไขหรือว่า c c ซเนื่องจากระบบที่สพทกับกศสสช่วยกันพัฒนาเนี้ยจะต้องติดตามข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษานะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าอ๋อโอเคเขาไม่ได้เรียน อยู่ตรงนี้แล้วเข า, เ อ, าอยู่ตรงไหนก็คือติดตามไปว่าเขามีงานทําหรือเขาไปอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะให้เขาเองนั้นเข้าสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะคะทางด้านนายแพทย์สุพกรบัวสายผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่า ก, กาศส ก, ก็บอกว่าในปีการศึกษา 2,562 ที่ผ่านมาตัวเลขนักเรียนที่ได้รับทุน เ, เสมอภาคเพิ่มขึ้น จากปี2561จาก 5,0140 คนเป็น 7,023,604 คนเพิ่มขึ้นเป็น1ะ4 2เนื่องจากในปีปี62เนี่ยได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความร่วมมือจากสพททั้งส่วนกลางแล้วก็เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง225เขตทั่วประเทศนะคะที่จะไปช่วยกระตุ้นให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูล เข้ามามากขึ้นก็ทําให้จํานวนโรงเรียนที่ปร ะ, ะปฏิเสธการรับทุนหรือไม่เข้ามากรอกข้อมูลลดลงจากปีที่ผ่านมาก็เพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้สิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษามากขึ้นนะคะโดยเขตพื้นที่การศึกษา1้2เขตร้อ่สิบสเขตนะคะหรือมากกว่า 54% เป็นี่ยเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่ที่มีบริการการรับรองข้อมูลนักเรียนเข้ามาครบ 100% เเซนะคะกสศก็ รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณ เ, เขตพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือนะคะโดยในปีภาคเรียนที่1ทับ2ก็สอเนี่ยกสศก็ได้จัดสรรให้นักเรียน 1,000 คนได้มอบทุนไปแล้วนะคะ 1,000 บาทต่อคนนะคะโดยแบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนแรกก็คือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแล้วก็บรรเทาอุปสรรคการ มีเรียนเช่นค่าอาหารค่าครองชีพค่าพาหนะในการเดินทางแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาคของโรงเรียนซึ่งจะเป็นการขยายผลให้เงินอุดหนุนของกสศเนี่เกิดผลลัพธ์ต่อตัวเด็กโดยตรงนะคะยั่งยืนไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ยอมรับค่ะว่าทุนเสมอภาครายคนเป็นเงินจํานวนน้อยนะคะถ้าเทียบกับขนาดของปัญหาแล้วแต่ถ้าหากภาคธุรกิจและประชาชนเนี่ยจะร่วมสมทบทุนเพื่อบริจาค ก็ยินดีนะคะโดยเอกชนหรือว่าประชาชนทั่วไปที่อยากจะบริจาคใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สองเท่านะคะได้อัตโนมัติได้ที่เ w w นะคะ donate eef o r t h slash main dot donate นะคะก็จะสามารถหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ 020795475นะคะ020795475โดยการบริจาคในครั้งนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพักรู้หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วง อ, อยากรู้นะคะมีเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ กลังฟังเป็นเรื่องเป็นราวช่วงอยากรู้กลับเข้าสู่รายการเป็นเรื่องเป็นราวในช่วงที่สองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอยากรู้นะคะเรื่องราวดีๆจากทั่วทุกมุมโลกที่จะหยิบมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องของสังคมสงว้นะคะซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มี เ, ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะเห็นทั้งเรื่องของโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับมือกับสังคมสูงวัยที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะซึ่งจะมีมากขึ้นในแต่ละปีเห็นกันชัดๆเลยก็คือปริมาณเด็กที่เกิดขึ้นก็ลดน้อยลงปริมาณากา ร, กรเกษียณอายุของข้าราชการต่างๆก็จะมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะตรงนี้แหละคือตัวเลขของสังคมสูงวัยที่จะให้เราเองนั้นนึกถึงภาพว่าเออเราจะเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรไม่ว่าจะเป็นคนในวัยกำยำ ในวันนี้เขาจะต้องมีความรู้เพียงพอในการที่จะใช้ชีวิตร่วมอยู่กับสังคมสูงวัยนี้ด้วยรวมถึงระบบสวัสดิการรัฐหรือว่ า, าระบบการรองรับแม้แต่สินค้าที่จะขายใน ปีหน้าปีต่อไปเนี่ยก็จะแนวโน้มที่จะโฟกัสในกลุ่มสังคมสูงวัยมากิ่งขึ้นนะคะมาดูในเรื่องของสังคมสูงวัยในต่างประเทศกันบ้างว่าเขาเองมีความตื่นตัวแล้วก็รองรับในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สเปนค่ะเป็นหมู่บ้านเปสเกลซานะคะเป็นหมู่บ้านเพื่อการพักอาศัยของคนสูงวัยในสเปนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องดีๆจากอขอบคุณสำนักข่าว b ีบีซีไทยแล น, นะคะก็บอกว่าสเปนเนี่ยเป็น1 ในประเทศในหลายๆประเทศที่จะมีประชากรสูงอายุมากขึ้นนะคะแต่มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะมีโครงการไม่สแสวงหากำไรที่ชื่อว่าพักกับเราหรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Stay with us นะคะที่นี่เป็นที่ที่ให้บริการที่จำเป็นที่ผู้สูงวัยต้องการโดยหวังว่า โครงการนี้เนี่ยจะทำให้ผู้สูงอายุได้อยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากนักแล้วก็ความสำเร็จของโครงการนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านแห่งอื่นๆทำตามนะคะหมู่บ้านเบสเกอเบสเกซ่า uh, ในสเปนเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุขนาดใหญ่แล้วก็เป็นชุมชนที่ เ อ, อื้อต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยมีประธานกลุ่มที่ชื่อว่าคอนสเตนซิโอลรสริเกสนะคะเป็นประธานกลุ่มเขาก็บอกว่าเขามีความตั้งใจอยากจะให้คนผู้สูงวัยเนี่ยอยากที่จะอยู่ที่บ้านแห่งนี้เป็นการตอบสนองความต้องการสําหรับสังคมสูงวัยมีความสุขอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วเจอเพื่อนนะคะประชากรผู้สูงวัยเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญของสเปนค่ะโดยทั่วประเทศเนี่ย มีอายุของประชากรคาดคาดว่าเนี่ยอายุค่าเฉลี่ยเนี่ยสูงที่สุดในโลกอยู่ที่สเปนแต่ในช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการทําโครงการนี้นะคะทำมาแล้วเนี่ยแปี Sta วิทอาร์เนี่ยค่ะบอกว่าเขาคาดหวังว่าผู้สูงวัยที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะเขาจะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็พักอยู่ในบ้านของตัวเองอย่างมีความสุขนะคะมีคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เนี่ยประมาณ130่งมสิบคนมี ผู้คนสองในสามีอายุมากกว่า65ปีนะคะโครงการนี้มีการติดตั้งทางเดินพิเศษมีราวจับมีพื้นผิวที่ป้องกันการลื่นล้มมีสูงดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวันในการจัดหาอาหารแล้วก็พาผู้สูงอายุออกกำลังกายร่วมกันนะคะสนุกสนานกันไปนะคะแล้วก็ยังมีบริการทำความสะอาดมีรถที่ช่วยรับส่งผู้สูงอายุ ฟังมาถึงแค่นี้เนี่ยหลายคนอาจจะปิ๊งไอเดียนะเปิดทำเป็นโฮมสเตย์หรื อ, เ, อเป็น เป็นบ้านที่จะดูแลผู้สูงวัยโดยเฉพาะนะคะเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยมีหลายแห่งแล้วละ่ะมีหลายแห่งแล้วละ่ะที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ไว้วางใจเมื่อเหมือนยุคนึงเนอะที่เราพอพอเราเริ่มสร้างครอบครัวใหม่ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นเป็นครอบครัวขยายพอมีลูกเราก็จะให้ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาช่วยดูแลเนาะดูแลตั้งแต่เล็กๆแต่พอถึงเวลาที่เรามาเป็นครอบครัวเดี่ยวเติบโตมาสร้างครอบครัวในเมืองกรุงเนี่ย ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาไม่ได้ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปฝากไว้เนื้อเซอรี่เนี่ยก็ทําใหา้ธุรกิจเนื้อเซอรี่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยในบ้านเรานะคะตอนนี้มนถึงช่วงบูมแล้วค่ะบูมของอจะบอกว่าเนื้อเซอรี่ได้ไหมเนี่ยเป็นเนื้อเซอรี่สำหรับผู้สูงวัยตอนนี้ก็เกิดมากขึ้นแล้วนะคะในบ้านเรานะคะโดยในบรรดาบริการเหล่านี้เนี่ยปีโอก็บอกว่าทําให้ผู้สูงอายุารู้สึกอบอุ่น เป็นกันเองเหมือนอยู่บ้านนะคะการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงกลางวันให้เขาเองนั้นมีสังคมมีนันทนาการร่วมกันเนี่ยทำให้เขามีความสุขซึ่งโครงการที่เขาทําอยู่เนี่ยนะคะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็ส่วนภูมิภาคผู้อาศัยเองก็ยังใช้เงินบํานาญของตัวเองเนี่ยนะคะมาเป็นค่าใช้ใจ่ายค่าบริการที่พวกเขามาใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์นะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวันเนี่ยจะให้โทรศัพท์แก่ผู้สูงอายุทุกคนไว้ใช้งาน เขามีโทรศัพท์ใช้เพื่อที่จะติดต่อกับครอบครัวนะคะหรือพูดคุยกับเพื่อนของเขาได้นะคะแล้วก็โทรศัพท์ของเขาเนี่ยออกแบบให้ใช้งานง่ายนะคะมีแค่ปุ่มเดียวมีแค่ปุ่มเดียวกดแล้วก็สื่อสารได้กับทั้งเจ้าหน้าที่นะคะหรือประสานเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือต่างๆนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปดูแลได้ทันทีนะคะบอกว่าความสําเร็จของโครงการนี้มาจากความใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ มีความสำคัญกับผู้สูงวัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารการกินต้องดูแลให้เขาเองนั้นได้รับอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยเหมาะสมกับอาจจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวนะคะรวมถึงสร้างความคล่องตัวให้เขาไปไหนมาไหนให้รู้สึกว่าเขาไม่ถูกทิ้งเขาไม่ถูกขังหรือเขาไม่ถูกปล่อยให้อยู่ตรงนี้มีเพื่อนนะคะความสาเร็จนี้เองที่ทาให้อ่อ s t ตว i สอารได้รับความนิยมแล้วก็กําลังจะถูกไปพัฒนาเป็นต้นแบบให้กับชุมชนผู้สูงวัยหลายๆแห่งในสเปนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสาหรับผู้สูงวัยในสเปนเนาะมาต่อกันที่เรื่องของใกล้เคียงกับเรื่องของผู้สูงวัยเหมือนกันเนาะเรื่องของสมองเสื่อมสมองเสื่อมนี้เป็นกันมากหรือว่าเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะ ก็มีการสร้างบ้านที่ออกแบบพิเศษสำหรับผู้พี่ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่จะทำให้คนเนี่ยมีอายุยืนมากขึ้นมันมันเป็นสิ่งที่ เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับคนที่ที่อยู่ข้างหลังเนาะว่าให้เขาเองนั้นอยู่แบบช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดแล้วก็สังคมเอื้อให้เขาเองนั้นมีที่ยืนมีที่อยู่มีความอบอุ่นรู้สึกว่าเขาเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยมีคาดว่ามีประมาณ50บล้านคนทั่วโลกที่กําลังเผชิญหน้ากับโรคสมองเสื่อมนะคะแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยตามปริมาณของอจํานวนประชากรของผู้สูงวัยคณะ วิจัยจากมหาวิทยาลายัยลัฟบาระในอังกฤษก็ดําเนินโครงการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านไม่ได้นะคะคือคืออยู่ที่บ้านได้ไม่ได้ย้ายออกไปไหนนะคะแหมแบ่งวรผิดนี่ความหมายเปลี่ยนเลยนะคะอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ย้ายออกไปไหนไ ม, ไม่ได้ไปอยู่ในเนอร์สเลอรี่ไม่ได้ไปอยู่ในอ่า สถานพยาบาลพิเศษนะคะโครงการนี้เนี่ยก็ใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทางวิทยาศาสตในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในบ้านแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยสมองเสื่อมเช่นออกแบบบ้านให้เปิดโล่งนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยหาตำแหน่งทิศทางได้ง่ายขึ้นมีการติดตั้งหน้าต่างที่เปิดได้เองอัตโนมัติเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวนะคะติดตั้งปลั๊กไฟไว้ในที่สูงเพื่อให้ผู้ป่วยมีที่มีอาการหลงหลงลืมๆืมเนี่ยมองเห็น ได้ง่ายนะคะใช้พรมสีอ่อนในการปูพื้นแล้วก็เพราะว่าถ้าถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหลุมนะคะใช้สีทาบ้านที่ตัดกันเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายสามารถมองเห็นแล้วก็แยกพื้นต่างๆแยกพื้นที่ต่างๆในบ้านได้ชัดเจนนะคะซึ่งไอ้ความหลั่นกันของพื้นที่ต่างระดับเนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่าถ้าเขาล้มเนี่ยอันตรายเลยนะคะสาหรับผู้สูงวัยถ้าล้มนะคะแล้วก็ ทำให้บ้านเนี่ยมีช่องรับแสงตางธรรมชาติได้มากที่สุดเพื่อที่จะช่วยปรับวงจรระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆหรือว่านาฬิกาชีวิตบอดี้คร็อกนะคะให้ทำงานได้ดีขึ้นถึงเวลากินก็กินถึงเวลาตื่นก็ตื่นช่วงหลังๆนี้มีคนอยากนอนแต่ไม่นอนหรือมีคนนอนแล้วนอนแล้วตื่นเช้านี่สงสัยไหมเขาจะบอกว่าเราแก่นะเพราะว่าทำไมไม่นอนสักทีใครที่ออน Facebook ออนไลน์ อะไรนานๆนี่จะต้องมาถามตัวเองแลาวเฮ้ยทำไมเรายังไม่นอนนะคะนั่นหมายความว่านาฬิการ่างกายของเราเนี่ยเริ่มทำงานเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะคะภาวะสมองเสื่อมก็จะมักไปรบกวนระบบนาฬิการ่างกายด้วยนะคะแม้โรคนี้จะส่งผลต่อผู้ป่วยในหลายด้านแต่ทีมนักวิจัยก็หวังว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเนี่ยจะทำให้เขาเองนั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ดีขึ้นภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของเขามากขึ้นนะคะโดยทางด้านองค์การอนามัยโลกก็บอกบอกแล้วนะคะว่าในเรื่องของโรคสมองเสื่อมเนี่ยรักษาไม่หายนะคะแต่ลดความเสี่ยงของโรคได้โดยได้ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้ออกแนวทางให้ประชาชนปฏิบัติตามเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดภาวะสมองเสื่อม ดิฉันพันหึกเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะคะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากนะคะก็คื อ, อต้องออกกําลังกายนะคะโดยผู้ใหญ่รวมถึงผู้สูงวัยเนี่ยควรจะออกกําลังกายในระดับปานกลางถึงอย่างหนักอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ก็หารไปนะคะหสัปดาห์นี้ก็จะน้อยลงไปนะคะโดยทําได้ตั้งแต่ปั่นจักรยานหรือทํากิจกรรมทั่วไปเช่นทํางานบ้านนะคะทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆปัดกวาดถูพอเหนื่อยก็พัก พักได้นะคะแล้วก็เลิกสูบบุหรี่ซึ่งมันไม่มีผลดีกับร่างกายอยู่แล้วนะคะทั้งสมองแล้วก็ร่างกายทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะลองมาฟังดูว่ามันมันเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นอาหารที่มีผักมีปลาเป็นหลักแล้วก็มีผลไม้แค่นี้เองนะคะถือว่าเป็นการทานอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนแล้วมีกล้วยน้ำว้าสักลูกหนึ่ง นะเมนเตอร์เลเนี้ยแล้วนะคะมีมีปลาปลาทอดสักชิ้นนึงอาจจะไม่ทอดก็ได้อาจจะจะย่างก็ได้นะคะเนี่ยเมนเตอร์เลเนี้ยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะถือว่ามีประโยชน์ไม่ต้องห่วงเรื่องอการรับประทานวิตามินเพราะว่าไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสมองเสื่อมได้เพราะว่าตอนนี้มีวิตามินเสริมโน่นนั่นนี่มากมายเลยบางทีจนงงว่าจริงๆเราควรกินวิตามินเป็นหลักหรือเป็นกินอาหารให้ครบห้าหมู่เป็นหลักทานอาหารดีกว่านะคะ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากนะคะมีการศึกษาบางชิ้นที่ชี้ว่าการดื่มการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะป้องกันการการ เ, เป็นโรคสมองเสื่อมได้เล็กน้อยน ะ, ะแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมากเพียงพอที่จะสนับสนุนแนวคิดนี้ได้นะคะนอกจากว่าคุณฝึกสมอง อยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมคะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่อายุมากแต่ยังสามารถบวกเลขได้คล่องแคล่วนะคะแบบไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเคยเห็นไหมดิฉันเคยเห็นคะ่ะบวกได้เร็วกว่าเราซะอีกนะคะซึ่งเป็นการฝึกสมองใช้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองว่างหรือตัวเองเหงานะคะมีการคิดมีการวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็จะช่วยลด ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมได้นะคะมีการออกสังคมบ้างนะคะพบปะเพื่อนฝูงพูดคุยแลกเปลี่ยนมีสังคมมีนันทนาการบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีกำลังกายมีกำลังใจดีมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะที่สำคัญก็คือควบคุมน้ำหนักตัว ด้วยนะคะเพราะว่าอีตรงนี้เนี่ยการกินอาหารที่ดีออกกําลังกายเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงก็โรคก็จะห่างออกไปด้วยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของโรคสมองเสื่อมนะคะยังมีเรื่องของโรคความดันโลหิตมีเรื่องโรคเบาหวานการควบคุมน้ําตาลในเลือดตรงนี้ก็จะมีผลเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะคะนี่ก็เป็นเรื่อง ดีๆที่นำมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของสังคมสูงวัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบของประเทศไทยด้วยนะคะหมดเวลาสำหรับเป็นเรื่องเป็นราวในวันนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ทางคลื่น 89.5 แห่งนี้นะคะในวันอาทิตย์หน้านะคะเวลา 18.30 นถึง 19.00 โดยประมาณฝากอยาก อ, อ, อยากฝากเรื่องที่อยากจะให้มาเล่าหรือว่า เป็นเรื่อง ด, ดีที่เกิดขึ้นทั้งในบ้านเราหรืออยากจะให้ดิฉันไปหามาเล่าให้ฟังฝากไว้ที่เพจเล่าเป็นเรื่องได้นะคะดิฉันนึกอะไรเนี่ยสงสัยจะต้องกลับไปทานปลาหรือว่าแปะกล้วยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามระฟังรายการเป็นเรื่องเป็นราวได้ทุกวันอาทิตย์เวลา18นากานาทีทาง FM ปม รับฟังยอดหลังได้ทางเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th และที่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กวิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี